ปหาณาปริญญาเรียกว่าพลวะวิปัสนาเนี่ยนะเบุคคลนั้นย่อมได้วิปัสนาธรรมสองอย่างที่ถึงความฉลาดคือถึงทัศนะโกศลและทัศนะโกสลกสคือโสดาปฏิมักเนี่ยนะโสดาปฏิมัคขยานส่วนภาวนาโกศลก็คือสกทาคามีมักอนาคามีมักและอรหัตตมักตรงนี้แสดงแบบย่อๆขึ้นมาเลยนะว่าถ้าทำปริญญาสาม ผลของการทําปริญญาสามคือโซดาปฏิมักสกะทาคามีมักอนาคามิมักและอรหัตตมักเพร <S <S ะาะนั้นก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะว่าท่านจะกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้แล้วท่านจะได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญเนี่ยนะก็เท่ากับแสดงอะไรปริญญาธรรมกับปหาตัปธรรมสองตัวให้เห็นเป็นหลักนะแต่ว่าธรรมะอื่นๆเท่ากับแสดงแล้วนะตามในยะของลักษณหาระต่อไป จริงๆนะก็นับว่าเป็นบุญของเราอย่างหนึ่งนะที่เราเรียนเนติติปกรณ์ควบคู่กับปฏิสัมพิธรมมั่งกันนะของมาเบาขึ้นอีกเยอะเลยนะพูดนี้เราก็โยงมานู้นพูดนู้นเราก็โยงมานี่ง่ายมากนะแต่ถ้าไม่เรียนแบบนี้นะจะเรียนแต่เรื่องเดียวจะหนักค่อนข้างหนั ก, ก น, นะแต่จะหนักแนละ้วเนี่ยเดี๋ยวก็โยนไปให้ตรงโน้นมัานนะเรียกาเอ า, อาที่หนักๆแบ่งไปด้วยบ่ายบ้างเพราะบ่ายนะั่นหนักๆบ่ายเอาไว้เช้าบ้าง น, นะอย่างเงี้ยนะก็แบ่งๆไปเนี่ยนะ นะสรุปตรงนี้แสดงย่อๆในข้อ17ย่อหน้าแรกว่าคำว่าโลกมีสามโลกกิเลสโลกภาวะโลกอินทรียโลกคำเนี้ยประกาศถึงวัตตะในภูมิสาวัตตะในภูมิสาแต่พิเศษนิดหนึ่งตรงอินทรียโลกนี่หมายถึงผู้ที่เจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาคือในบรรดาสัตว์โลกในวัตตะ หรือในจั ก, กรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะสัตว์ที่น่าสนใจคือสัตว์ที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาส่วนพวกอื่นไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงเนี่ยนะพวกไม่มีศรัทธาก็าไม่รู้จะพูดถึงทำอะไรเนี่ยนะอย่างสมัยพู้ตรกร์บอกว่าผู้ที่ไม่มีศรัทธาวิริยะส ต, สติสมาธิปัญญานะถึงจะนั่งอยู่ใกล้ๆเข่าของพระ อ, องค์นะพระ อ, องค์ก็มองไม่เห็นเหมือนลูกศรที่ยิงไปในความมืดขนาดนั้นแต่ว่าถ้าผู้ที่มีศรัทธาเป็นต้นนะถึงจะอยู่ไกลๆก็เหมือนหิมะวันนะ มองไกลก็เหมือนกับมองเห็นภูเขาที่อยู่ไกลๆนะสาหรับผู้ที่มีอินทรีย์หรือผู้ที่สะสมบุญไว้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกิเลสโลกภาวะโลกอินทรียโลกจึงเน้นเป็นพิเศษคืออินทรียโลกคือผู้ที่มีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญาผู้ที่มีอินทรีย์เหล่านี้เนี่ยนะถามว่าเขาเจริญเพราะอะไรเป็นบาทเจริญเพราะมีมหคัตธรรมเป็นเป็นบาทนะ่ยนะ เมื่อมีมหาคตะเป็นทำเป็นบาทก็เจริญศรัทธาเป็นต้นที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายกุศลธรรมที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเนี่ยนะเจริญอินทรีย์เนี่ยนะเครื่องวัดผลก็คือการทำปริญญาเมื่อทำปริญญาเสร็จอันนี้สองก็คือทัศนโกสลกับภาวนาโกศลคือโซดาปฏิมักเป็นต้นนั่นเองเนะ ทีนี้ว่าโดยสรุปต่อไปว่าพึ่อทราบญาณ น, นั้นมีหประการตัวญาณะเนี่ยนะแบ่งเป็นห้าประการคือญาณที่เป็นอภินญาอย่างหนึ่งเป็นปริญญาอย่างหนึ่งเป็นปหานะอย่างหนึ่งเป็นภาวนาอย่างหนึ่งและสัจิกิริยานี้อย่างหนึ่งห้าอย่างบรรดาญาณเหล่านั้นอภินญาเป็นไชน์ญาณในการกําหนดรู้ลักษณะของธรรมทั้งหลายอันนะอ่า คือธรรมะปฏิสัมพิทาและอัฏฐปฏิสัมพิทาชื่อว่าอภิญญาธรรมะนี่เป็นชื่อของอะไรนะตัวนี้ครับเป็นชื่อของปัจใจอัฏฐะเป็นชื่อของปัจจยุบันหรือเป็นผลปัญญาที่ไปกำหนดรู้ลักษณะทั้งปัจใจและปัจจยุบันเป็นอภิญญาอภิญญาตัวนี้เป็นชื่อของยาตะปริญญาเนี่ยนะตัวนี้นะยาตะปริญญานั่นเองการกาหนดรู้ลักษณะของ ธรรมะทั้งที่เป็นปัจจัยและปัจจัยุบันกาหนดทั้งอัรฐะทั้งธรรมะธรรมะเป็นชื่อของปัจจัยอัรฐะเป็นชื่อของปัจจัยุบันเช่นกำหนดรูรปประขัน Quran. ที่เป็นกรรมมชรูปอย่างนี้เป็นการกาหนดอัฏฐะการกาหนดอวิชาตัญหากรรมและอาหารเป็นการกาหนดธรรมะก็กาหนดลักษณะของอัฏฐะกับธรรมะ คำว่ากำหนดนี่มันแค่ไหนให้สิ่งนั้นมันโผล่ขึ้นมาแล้วเราค่อยกําหนดเหมือนกับเอาปูนป้ายหัวไว้ทีหนึ่งเออเนี่ยนะขีดไว้เออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่แล้วทํำยังไงเข้าไปพิจารณาเนี่ยนะเข้าไปพิจารณาพิจารณาว่านี้เป็นรูปประคัแล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้รูปประคันเกิดอวิชาตันหากรรมอาหารอาหาร นั้นการพิจารณาอย่างเนี้ยถ้าพิจารณาว่ารุ ก, กรรมมาชรูปอย่างนี้เกิดจากอาหารเนี่ยเราต้องนั่งดูนั่งกินอาหารทั้งวันยังไงจะได้รู้ น, นะจะได้ไขมันเพิ่มไงถ้าทําอย่างนั้น น, นะแต่หมายถึงปัญญาที่เข้าไปพิจารณาถ้าเป็นพระพิสูจ์ท่านเจริญท่านบางรูปท่านฉันมือเดียวเนี่ยนะมันแต่ท่านพิจารณาทั้งวันนะนะมันเป็นการเข้าไปพิจารณาถ้าเกิดดูอิริยาบถแล้วครับไหนนะนะถ้าพิจารณาอิริยาบถเนี่ยนะคำว่าอิริยาบถเนี่ย ถ้าเปรียบร่างกายเหมือนกับสรีระยนสรีระยนต์ที่มันจักคือหมุนไปสี่คือยืนเดินนั่งและนอนนั้นคำว่าอิริยาบทเนี่ยเป็นคํารวมของของรูปทั้งสี่สมุธฐานทั้งกัรมมชรูปจิตตชรูปอุตตูชรูปอาหารชรูปแต่ที่เป็นไปกับอิริยาบทเนี่ยนะตัวที่ให้อิริยาบทนั้นนนั้นเกิดขึ้นเป็นจิตตะชาวายโยธาตซึ่งมีจิตเป็นสมุธฐานเนี่ยนะนั้นคําว่า การพิจารณาตัวนี้เนี่ยเป็นการปัญญาที่เข้าไปพิจารณาทั้งเหตุทั้งผลไม่ใช่ไม่ใช่เจริญปัญจทวาร น, นี่นนะวาง่ายๆหนึ่งนะการเจริญวิปัสนาไม่ใช่เป็นการเจริญตาหูจมูกลิ้นตัวกายไม่ไ ว, ว่าเจริญวิปัสนาคือการไปดูในสิ่งที่ไม่เคยเห็นไปฟังเสียงที่ไม่เคยฟังะนะถ้าเป็นพระวินัยนะผิดหลายข้อเลยนะถ้าจะต้องใช้ตาดูเลยบางเรื่องผิดพระวินยัยต้องใช้หูฟังนี่ก็ผิด พระวินัยเนี่ยนะทวารจมูกทวารลิ้นก็ผิดพระวินัยเยอะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ได้เจริญทางปัญจทวารเนี่ยนะอบัตปาราชิกเป็นต้นนะเกิดจากปัญจทวารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเป็นทวารที่ต้องปิดโดยส่วนเดียว น, นะไอ้ที่เปิดคือมโนทวารแต่มโนทวา น, นี้ต้องเปิดเป็นไปตามคำสอนนะปิดตามที่เป็นบาปทั้งหมดจน้ ถ้าอรหันเนี่ยนะจะต้องพิจารณาทั้งอิริยาบถขันอายตนะธาตุพิจารณาตั้งแต่เกิดจนถึงตายใช่ไหมจึงได้บรรลุถามว่าใช่ไหมใช่แล้วท่านกําลังโกนผมอยู่หรอทําไมบรรลุมันก็กําหนดดังแครกแคกแค ร, ก, ครกอย่างเงี้ยหรอพอไม่จะบรรลุอ่ะนะออกมานี่หมดมีดโกนไปตั้งเยอะแล้วเนี่ ย, ยมมันไม่ใช่อย่างนั้น น, นการพิจารณาวัตตะอย่างตลอดสายเนี่ยนะท่า น, นจะบรรลุในอิริยาบถไหนก็ได้นะ แต่ไม่ใช่ว่ากําหนดไอเฉพาะแต่อิริยาบถคือรู้อยู่เท่านั้นแล้วบรรลุเนี่ยนะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าอภิญญาปัญญาที่เป็นอภิญญาคือยาตาปริญญากําหนดรู้ลักษณะของธทรรมที่นี้เป็นชื่อของนามกับรูปเนี่ยนะเช่นรูปเนี่ยเช่นปฐวีาธาตุมีลักษณะแข็งแข็งเนี่ยต้องไปจับดูก่อนไม่จึงจะรู้ว่าแข็ง ไม่ได้ถ้าพระนะั้นไปจับผมของผู้หญิงนะที่แข็งแข็งเนี่ยจับสังขารที่เศษเลยนะเอาเป็นอาบัติเกือบประราชิกเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าแล้วจะต้องกําหนดดูด้วยไหมล่ะก็คำว่ากําหนดเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาที่เข้าไปพิจารณาเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าไปจับทางกายจริงๆเนี่ยนะถ้าถ้าต้องจับทางกายจริงๆนะถ้าเป็นพระพิสุเจริญนะียขัดต่อพระวินัยอย่างว่าหลายศสิขาบทมาก ทีนี้ต่อไปนะว่าต่อไปเป็นตรีรณะปริญญาตีรณะปริญญาเนี่ยคือการกำหนดว่ารู้ว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้เป็นธรรมดำที่เศร้ามองนี้เป็นธรรมขาวที่สะอาดหมดจดนี้เป็นธรรมที่ควรเสพนี้เป็นธรรมที่ไม่ควรเสพ ธรรมะเหล่านี้ที่บุคคลถือเอาโดยลักษณะอย่างนี้แล้วทำให้เกิดผลนี้เป็นการรู้สัจจะทั้งหลายแห่งอุทยพยาญานเป็นต้นเหล่านั้นซึ่งบุคคลถือเอาอย่างนี้เป็นผลแห่งบุคคลผู้รู้อย่างนี้แล้วดำรงอยู่ชื่อว่าปริญญาวันนี้เข้าใจยากไหมัข้าใจยากงันนะถ้าใช้คำว่ากุศลเนี่ยนะว่าย่อๆเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของกุศ ล, ลกรรมบทสนะิอกุศลเป็นชื่อของ อากุศลกรรมมบด10 น, นะทำมีโทษก็เป็นชื่อของอากุศลกรรมบดเหมือนกันไม่มีโทษก็เป็นชื่อของกุศลกรรมบดเนี่ยนะทำดำมีวิบากเศร้าหมองก็เป็นชื่อของอากุศลกรรมมบด ท, ทำขาวมีวิบากสะอาดหมดจดก็เป็นชื่อของกุศลกรรมบดควรเสพก็เป็นชื่อของกุศลกรรมบดไม่ควรเสพก็เป็นชื่อของอากุศลกรรมบดถ้าว่าโดยสภาวะเนี่ยนะ ธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่ไม่มีโทษธรรมที่เป็นธรรมขาวสะอาดหมดจดควรเสพคือมหากุศลเจตนาเป็นต้นเนี่ยนะส่วนธรรมที่ดําที่เป็นอกุศลมีโทษเศร้าหมองเนี่ยนะไม่ควรเสพเป็นชื่อของอกุศลเจตนาถ้าพูดเจตนาเท่านี้แล้วนีมองอะไรต่อไปเจตนาก็ต้องมองไปที่วิบาก ผลของอกุศลเจตนาคืออะไรก็อบายสีเท่ากับพูดอบายสีแล้วนะถ้าผลของกุศลเจตนาเป็นชื่อของสุขติทั้งที่เป็นมนุษย์และเทวดาเมื่อแยกแยะไปอย่างนี้แล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงอนนะการเข้าไปถือเอาลักษณะอย่างเช่นผลบุญทําให้เกิดเป็นมนุษย์นะมนุษย์เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง ก็บุญบุญตัวบุญที่เจริญนะอย่างเราฟังทำนี่เป็นบุญไหมเป็นบุญเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วผลของบุญที่จะมีต่อไปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เทียเท่ยงผลของบุญนี่แหละแก่เท่าอ่ะใช่ไหมอยากไม่ต้องพูดถึงผลบาปนะขนาดผลบุญยังแก่ยังเท่าเลยนะจากล่าวไปยายถึงผลบาปเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าน่าเจริญไมหมล่มนะก็จึงเป็นการเข้าไปไคร่ครวนโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ทีนี้ผู้ที่เห็นว่าการเกิดในทุกภพเนี่ยนะไม่เที่ยงเพราะตัวเหตุที่ทําให้เกิดในทุกภพก็ยังไม่เที่ยงแต่ถามว่าการเกิดในอบายเพราะอะไรเกิดเพราะอวิชชาเกิดการเกิดในอบายจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดการเกิดในอบายจึงเกิดเพราะอกุศลเจตนาเกิดนี่แหละจึงมีการเกิดในอบายสัตว์ในอบายก็ดํารงอยู่ด้วยอาหารของสัตว์ใน อบายอันนี้พิจารณาเหตุเกิดคืออุทย์เนี่ยนะที่เรียกว่าอุทยะเนี่ยดั้นการพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่ถูกต้องต้องเป็นไปเพื่อรู้ความเกิดนะรู้ความเกิดว่าเช่นรูปในในอบายทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่การเกิดเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยเพราะเขาเรียกว่าพิจารณาเหตุเกิดนั่นเองแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นมนุษย์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นเทวดาก็เหมือนกัน ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วความเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรอวิชชาตันหนกรรมและอาหารคือดำรงอยู่ด้วยอาหารนั้นถ้าว่าโดยย่อๆเพราะรูปเกิดเพราะอาวิชชาเกิดเพราะตันหาเกิดเพราะกรรมเกิดเพราะอาหารเกิดแล้วก็ความเกิดของรูปเรียกว่านิพพติลักษณะเนี่ยนะแต่ถามถ้าว่าสิ้นอวิชชาละการปฏิสนธิในภพจะมีไหมไม่มีถ้าสิ้นตันหา ก็ไม่มีการปฏิในสิ่งสนที่ในภพถ้าสิ้นอวิชชาสิ้นตันหากรรมก็เป็นอันสิน้นเป็นอันยุติเนี่ยนะเพราะว่าอาวิชชาตันหาเป็นเหมือนกับมารดาเนี่ยนะนี่อาหารเนี่ยนะถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปนะสิ้นอาหารเนี่ยยุติไห้ยุตินี่ยนะคำว่าอาหารรวมถึงยาด้วยนะบางคนไม่ได้กินยาสักสามวันเป็นไงแย่ <Yeah. S 1> yeah. เลยนะเกิดใหม่เลยกันนี้ของเรากลัวตายหรือกลัวเกิดกัน สาธุถ้ากลัวเกิดก็อนุโมทนาได้นะแต่ตอนแรกกลัวตายกันนะั่นคือจริงๆอะ่ะก็กลัวตายนั่นแหละทํำไมจึงกลัวตายพวกที่กลัวตายเพราะกลัวเกิดไม่ไมัมีบางแห่งเท่านั้นแหละที่กลัวนะกลัวเกิดบางแห่ง น, นะแต่อีกหลายแห่งไม่ค่อยกลัว ดังนั้นการพิจารณาเนี่ยต้องพิจารณาไอ้เหตุเกิดกับความดับเนี่ยให้มันเป็นความสัมพันธ์กันนะคือเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของผลคือปัจจุบันเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของเหตุแต่ว่าไอ้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของเหตุกับผลมันสัมพันธ์กันถ้าดับเหตุผลก็ดับการพิจารณารอบรู้อย่างนี้แล้วก็ผู้รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้คืออะไรท่านบอกว่า อย่างสัจจานังอนุโพธาปฏิเวทะก็คืออย่างนี้เป็นการรู้สัจจะรู้สัจจะรู้ยังไงเพราะการปฏิสนธิในภพทั้งปวงมีเพราะเหตุมีอันนี้รู้อะไรสัจจะสมุทัยสัจจะถ้ารู้สมุทัยเท่ากับรู้ทุกถ้ารู้ทุกก็เท่ากับรู้สมุทัยเพราะว่าทุกทั้งหลายมีสมุทัยเป็นแดนแดนเกิดหรือเป็นเหตุถ้ารู้สมุทัยจริงก็ต้องรู้เป็นทุกข์นะ ถ้ารู้ว่าคนนี้เป็นแม่จริงก็ต้องรู้ถึงลูกถ้ารู้ลูกก็ต้องรู้แม่นะก็ะรู้เพราะมันสัมพันธ์กันอย่างนี้ทนีนี้ถ้าเหตุดับผลก็ดับเนี่ยนะอันนั้นแหละเป็นนิโรศรจักเนี่ยนะถ้าเหตุเหตุดับผลดับเป็นนิโรศรจักเพราะการดับเหตุดได้จริงๆต่อเมื่อมีนิโรศรจักเป็นอารมณ์ ถ้าไม่มีนิโรธสัจจะเป็นอารมณ์เลยนะดับไม่ได้แท้จริงอย่างมากก็แค่เรียกว่าถ้าเป็นต้นไม้ก็แค่ต้นไม้ชนิดกลมผักเด็ดยอดนะนะหมายความว่าต้นไม่ตายนะแค่เด็ดยอดเฉยๆนั้นการเจริญส ม, มะถะวิปัสสนาแบบเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นกลุ่มเด็ดยอดกันยังไม่ถึงสามารถถอนรากถอนโคนได้แต่ก็อย่าให้มันโตนักก็ใช้ได้แหละนะให้มันทุเลาทุเลาลงไมบ้างหนระือไหให้มันเตียเต้ยๆลงบ้างนะแต่ถ้า การเด็ดยอดแบบนี้นะตั้งจุดประสงค์ว่าขอให้มันเฉาตายต้องตั้งอัธยาศัยนะมันจึงจะเฉาตายได้นะเด็ดยอดแต่ละครั้งบอกว่ากระตุกไว้ด้วยนะจะได้เฉาตายอย่างนี้นนะก็ต้องอันนั้นกว่าเจรเขาบอกว่าเจริญสมถาวิปัสสนาเนี่ยเพื่ออาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนันนะกระตุกไป บ, บ่อยๆเดี๋ยวมันก็คลอนนั่นเองนะั้นเดี๋ยวก็กระชากหลุดมาหมดแหละนั่นเ แต่เด็ดไม่ดีแล้วมันจะแตกเพิ่มนะก็อย่างคนศึกษาธรรมะนี่ว่าง่ายๆเนยนะศึกษาธรรมะเนี่ยถ้าศึกษาไม่ดีเปลี่ยนศาสนาเลยนะหนักกว่าเดิมอีกก็มีกลุ่มเนี่ยนะเรียกว่ากลุ่มที่ที่เคยเออเรียกว่าไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมนะบางทียังแนะนําง่ายกว่าพวกที่เข้ามาแล้วออกไปเนี่ยนะบางทีก็จะเป็นลักษณะนั้นนะนะมันก็มีโรคที่เรียกว่าเหมือนกับโรคอะนะถ้าไม่เคยรักษามาก่อนอาจจะรักษาง่ายอย่างเงี้ย ถ้าเคยรักษามาก่อนบางอย่างก็ง่ายบางอย่างก็ยากคนก็ว่าเป็นคนคนไปอ่ะนะก็สัตว์โลกมีธาตุเป็นอนเนกเนี่ยคงไม่เหมือนกันอ่ะนะได้ได้มาสองอย่างแล้วนะคือยาตะปริญญากับตีรณปริญญาตีรณปริญญาจะบริบูรณ์ต่อเมื่อได้อุทยพยานนะทีนี้อภิญญาปริญญาเนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งของยาตะปริญญาส่วนปริญญาตัวนี้เป็นชื่อของตีระปริญญา ต่อไปเหลือสามอย่างคือปหานะภาวนาและสัจิกิริยาธรรมะสามอย่างคือธรรมะอันควรละธรรมะอันควรเจริญและธรรมะอันควรทำให้แจ้งประจักษ์ย่อมเหลือแก่บุคคลที่กำหนดรู้อย่างนี้แล้วดำรงอยู่บรรดาธรรมะสามประการเหล่านั้นธรรมะที่ควรละเป็นฉไหนคืออกุศลนะ่านะวาง่ายๆเลยนะอกุศลทุกชนิดควรละอัตถกาถาท่านบอกว่าสมุทยสัจจะ หรือสมุทยะปักขะหมายั้งว่าบาปอากุศลทุกชนิดที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยเพราะฉะนั้นถือว่าควรละทั้งหมดนี่นะมันอกุศลตัวนี้เป็นชื่อของสมุทยะสัจจะหรือสมุทยะปักขะปักขะแปลว่าฝ่ายนี่นะมั้นบาปอากุศลทุกชิ้นที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยส่วนธรรมะที่ควรเจริญก็คือ กุศลท่านบอกว่ามรรคธรรมมรรคธรรมก็คือสัมมาทิฐิเป็นต้นนะนะสัมมาทิฐิที่เห็นอริยสัจสัมมาสังกัปปะที่กุศลวิตกษามสัมมาวาจาก็คือเว้นจากวจีทุจริศีสัมมากัมมันตาก็เว้นจากกายทูเจอริศสามสัมมาอาชีวก็เว้นจากกายทุจอริศสามวจีทุจริศีสัมมาวาญมะก็คือสัมมาประธานสี่สัมมาสติก็คือ สติปัฏฐานสี่ส ม, มาส ม, มาธิก็คือฌานสี่เพราะฉะนั้นนี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญส่วนธรรมะที่ควรทําให้แจ้งคือนิพพานอันเป็นอสังขตาธรรมอันนี้เป็นการถามว่าขณะที่เห็นทนิพพานนั้นขณะนั้นคือขณะไหนขณะที่แทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยนะสัจจปฏิเวทขณะที่แทงตลอดอริยสัตว์ขณะนั้นแหละบรรลุ ทำที่ควรทําให้แจ้งคําว่าทำที่ควรทําให้แจ้งนี่อมความถึงนิโรธสัจจะเ อ, อ่อขออภัยอมถึงอริยผลด้วยนะพระนิพพานกับอริยผลนี่อยู่ใกล้กันใช่ไหมถ้าจะสมมติว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะซ่องเสพนิพพานเนี่ยทำยังไงก็เข้าอริยผลสมาบัติ น, นั่นเองเนี่ยนะเพราะถ้าบอกว่าทำที่ควรทําให้แจ้งคือพระนิพพานนะเท่ากับแสดงอริยผลแล้ว บุคคลที่รู้อย่างนี้ น, นะคือรู้อย่างนี้รู้อย่างไงก็คือ ร, รู้ด้วยอภินยารู้ด้วยปริญญารู้ด้วยปะหานะรู้ด้วยภาวนารู้ด้วยสัจจิกิริยารู้อย่างนี้เนะืรู้ดังกล่าวไปทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าผู้ฉลาดในอัดและผู้ฉลาดในธรรมอ่าเรียกว่าฉลาดในอัดฉลาดในบาลีบาลีคือพุทธพจน์ใช่ไหมฉลาดในอัดคืออัตกถา ฉลาดในอัดคือปัจจยุบันฉลาดในบาลีก็คือฉลาดในปัจจัยนีแบ่งออกเป็นสองในเนี่ยนะในหนึ่งก็คืออัดกับบาลีในที่สองก็คือปัจจัยกับปัจจยุบันฉลาดในความเป็นคนดีมาจากบาลีว่ากาลยากาลยาณตากุกุสโลเนี่ยนะกาลยาณตากุสโลก็คือฉลาดในความเป็นคนดีจริงๆท่านขยายเป็นสองในคือฉลาดใน เอกัตต น, นานัตนาเอวังธรรมตาในาอภยาปารนยหรือวัชลาดในนยะสี่เนี่ยนะเดี๋ยวเราเรียนถึงปฏิจจสะสมบตัตจะเอามากล่าวอีกครั้งหนึ่งนยะ4ี่นะเอกัตต น, นานัตนัยอัพยาปารนยและเอวังธรรมตาในาในที่สองก็คือฉลาดในเทศนาคําว่าฉลาดในความเป็นคนดีนี่หมายถึงฉลาดในการแสดงอย่างเช่นภาษาบุตรฉลาดในการแสดงคําสอนเนี่ยนะหรือพระมหากัจจยนะฉลาดในการแสดงธรรม อันนี้หละเรียกว่าฉลาดในความเป็นคนดีผู้ฉลาดในความเป็นอรหัตผลก็คือฉลาดในความเป็นพระอารหันฉลาดในอายะคือความเจริญฉลาดในอะปายะคือความเสื่อมและฉลาดในอุปายะกุสโลเรียกว่าฐานุ ป, ปฏิเหตุก็มาจากบาลีว่าอุปายะกุสโลนะฉลาดในอายะอะปายะและอุปายะเนี่ยนะ อายะแปลว่าความเจริญอปายะแปลว่าความเสื่อมส่วนอุปายะก็คือเรียกว่าฐานุปปติเหตุเหตุที่เกิดขึ้นโดยฐานะอันสมควรเรียกว่าเป็นผู้ที่มีไหวพริบนั่นเองผู้ที่สมบูรณ์ด้วยความฉลาดอันประเสริฐเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ากุสโลสัพพธรรมมานังอันนี้เป็นชื่อของใครพระอารหันต์นะคืออาเซขะบุคคลเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงถ้าขยายตาม นิเทศก็ฉลาดในขันอายตนะธาตุเป็นต้นนั่นเองนะแต่ตรงนี้ท่านก็ฉลาดฉลาดในอัจฉฉลาดในบาลีฉลาดในความเป็นคนดีฉลาดในอรหัตผลในความเจริญความเสื่อมแล้วก็ฐานุปปติเหตุนมันนะถ้าเป็นพระอรหันต์ต้องฉลาดอย่างนี้อันนะพอจับใจความว่าผู้ที่เป็นพระอเศขธรรมเนี่ยนะดูได้จากอภิญญาปริญญาปหานะภาวนาและ สัจจิกิริยาสาระสําคัญอยู่ตรงนั้นซึ่งในธรรมสี่ประการเนี่ยนะคือเออขอไปห้าประการอภิญญาปริญญาปหานะภาวนาและสัจจิกิริยาจะได้กล่าวโดยละเอียดอีกครั้งในปฏิสัมพิธามัคสุตตะมยญาณเนี่ยนะสุตะมยญาณจะเอาห้าคำเหล่านี้มาแสดงอย่างกว้างขวางมากกว่านี้ทีนี้ผู้ที่เป็นพระารหารัสนะิสโต พิคุปริภเชเนี่ยนะบอกมีสติสมบูรณ์ น, น, นะเรียกว่ามีสติเว้นรอบนะบางอัมพีท่านแปลว่ามีสติเวรีรอบตรงนี้ท่านแปลว่ามีสติสมบูรณ์พึงเป็นผู้ถึงภาวะอันประเสริฐดํารงอยู่ก็คือถึงภาวะแห่งความเป็นพระอรหันต์แล้วดารงอยู่เรียกว่าดํารงอยู่ด้วยอัตภาพแห่งความเป็นพระอรหันต์คือชีวิตของพระอรหันต์ก็เรกตรัสรู้จนปรินิพานอย่างไรนั่นแหละคือคําว่าสโต พิคูปริภเเชนเนี่ยนะคำว่าภิคูเนี่ยบางสูตรเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะพระพุทธเจ้านี้ก็มีชื่อว่าภิสูุเหมือนกันนั้นผู้ที่มีสตินะถ้าเราเอ่อมีสติดํารงอยู่อย่างประเสริฐก็เอาพระพุทธเจ้านี่แหละตั้งแต่เรกตรัสรู้จนถึงดับขันตริยนิพพานเนี่ยดำรงอยู่อย่างไรภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านดํารงกันอยู่อย่างไร ก็คือภิกษุเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอันนี้ก็ยกฐานะเจ็นะฐานะที่หนึ่งคือในเวลาก้าวไปตับถอยกลับคําว่าก้าวไปกับถอยกลับเนี่ยคูณอิริยาบถสี่เลยเนยีไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วถอยข้างหลังกลับข้างหลังหนึ่งก้าวไม่ใช่ไปก้าวถอยกลับแบบนั้นแต่หมายถึงว่าคําว่าไปกับกลับเนี่ยหมายถึงว่าเช่นอิริยาบถเดินก็เดินไปกับขาไปกับขามานะถ้าไปก็เช่นไปบินธบาติก็กลับมาจาก บินทบาทอย่างนี้เรียกว่าไปมาในหนึ่งก็หรือไปไปทําธุระที่ไหนไปกูติโ น, น่แล้วกลับมาจากกูติโน่นเรียกว่าไปกลับอันนี้อิริยาบถเดินก็คุ้นเคยกันถ้าอิริยาบถยืนแหละเช่นยืนแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังมานิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะนี่ในอิริยาบถยืนถ้าอิริยาบถนั่งแหละ น, นะขยับไปข้างหน้ากับขยับพิงมาข้างหลั ง, งเมื่อไรที่น้อมพิงมาข้างหลังอย่างเดียวเรียกว่ากลับใช่ไหมกลับ ถ้าก้มไปข้างหน้าก็เรียกว่าก้าวไปข้างหน้าถ้านอนแต่ก็นอนพลิกไปพ ล, กพลิกไปพลิกมากแล้วกันนะมันไหนนอนไม่หลับก็พลิกหลายพลิกแล้วเกินอย่นทีนี้ถ้าแต่ละแห่งที่ไปนะทุกอย่างที่ไปเนี่ยนะมีไ ป, ม, ไปมีกลับเลยนะไปกลับเพื่ออะไรจริงๆนะเพื่อให้ตามันได้ดูนะตาจะได้เห็นใช่ไหมก็ทําการแลดูกับเหลียวดูจริงๆเท่าว่าตามศับเนี่ยนะแลดูแปลว่า อะโลกิโต αι, อะโลกิเตวิโลกิเตเนแลเหลียวแลเนี่ยแปลว่ามองตรงๆนะเหลียวดูแปลว่าเฉียงเฉียงดูเชฉียงเนียนะเรียกว่ากลิ้งกรอกสายตาดูไปดูมาเป็นต้นเนียนะเรียกว่าแลเหลียวกับคู่เหยียดคู่เหยียดก็เนี่ยเห็นข้าวเห็นของก็จับยกยื่นเนี่ยนะส่วนครองสังขติบาทและจีวอนอันนี้ก็หมายถึงการแต่งตัวทั้งหลายนั่นเอง เนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวประดับประดาตกแต่งเนี่ยนะการชั้นดื่มขบเคี้ยวกับลิ้มรสเนี่ยนะอันนี้ก็เกี่ยวกับการบริโภคแล้วก็ถ่ายอุจาระปัสสาวะ น, นี่ก็ทํากิจอันนี้ทุกอเนกทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกจะมีทุกอันนี้เป็นประจำตัวกันทุกคนแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนตื่นพูดอยู่นิ่งๆนี่ยนั่งนิ่งเนี่ยแบ่งเป็นเจ็ดนะ ข้อ7เออข้อแรกนะถ้าแบ่งเป็นหนึ่งก็คือไปกลับสองแลเหลียวสคู่เหยียดสครองสังขาติบาทและจีวรห้าชั้นดื่มขบเคี้ยวลิ้มเนี่ยนะหกถ่ายอุจจารปัสาวะ7ก็ยืนเดินนั่งนอนพูดตื่นนิ่งใครว่ามีสัมปชัญญะ4ี่ในฐานะเจอันนี้คือเจข้อนะพวกนี้ต้องเจริญสติสัมปชัญญะคือสัมปชัญญะ4ประการเนีย่ยนะตั้งแต่หน 1, ึ่งศาสกะสัมปชัญญะสอง ส ป, ปายะสัมปชัญญะ3โคจระสัมปชัญญะ4ี่อสัมโมหะสัมปชัญญะนั่นในฐานะเจประการนั่นผู้ที่ขยัฝึกสติสัมปชัญญะนะต้องฝึกในฐานะเจประการเหล่านี้